ฟานจริงอาตมานี่เป็นหลานศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นหลาน ว่าทำไมถึงได้เป็นหลู่หลวงปู่เหมือนในระหว่างที่อาตมา 20 จน 21 ปีถึงได้บวชเป็นพระอยู่สัก 2 อย่างที่เล่าประวัติ อาภัพด้วยการเกิดมาเนื่องจากว่าเกิดในตระกูลที่มีลัทธิต่างพุทธศาสนาตระกูลของอาตมา แต่ก็มีความพยายามสูงแต่ก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเพราะว่าทํามากว่าเป็นผู้อัปพัดใน แล้วในระหว่างนั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในระหว่างนั้นฟามเข้าวันมันทุกวันทั้งกายและใจมีฟามๆนานัปการอย่างโปกัง นี่ความเข้าใจอันนี้แหละในเมื่อเราบวชแล้วผิดสะรองผิดในตอนนั้นก็ไปรู้ถึง 25 เนิน การเดินจิตกรรมนั่งสมาธิซึ่งเราเนี่ยตั้งใจไว้เป็นอย่างดีเข้าไปก็ตั้งหน้าบำเพ็ญก็ไม่ คิดแบบอย่างนั้นก็พยายามอดทนสู้อยู่อย่างนั้นมาตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่บัวหลวงปู่บัว ตามมโนภาพที่แสดงออกแต่ในเมื่อเราประพฤติเข้าไปถึงจะเป็นยังไงบ้างเออก็อยากจะฟัง กรรมก็มีความพยายามหาอุบายวิธีต่างๆเข้าไปคุยก็ไม่สําเร็จแล้วเมื่อไม่สําเร็จก็ต้องฝ่าฝืนกันบ้างล่ะขโมยขโมยขโมยหนีคิด ในระหว่าง 4 องค์แล้วก็มีสามเณรคือทําไมเป็นผู้ประธานไป หากเป็นอย่างที่เราเห็นนี้เราก็เสียใจที่สุดก็ว่าศึกแน่ถ้าไม่ดีไปเห็นถึง ขอบคุณสุดที่ท่านเป็นฝ่ายมหานิกายโอ้โหด่งดังจริงๆอาตมาไม่ถือคําอนุยุทธละกายขอให้ดีซะอย่างเราขอๆเลยๆ ตนก็ท่านไปอยู่ก็ลงถูกไปดูปฏิปทาก็เยอะท่านรักษาบ้าเมืองอีสานมีผีปอบเยอะก็เอ๊ะมันบ้านี่หว่าตีก็บ้างอะไรก็บ้างตี พาไปถึงถ้าเป็นอย่างนี้มั้ยครับเจรจ์กลับแน่นอนกลับมาสุขไม่อยู่ที่ธรรมเพชรอําเภอนาแกพอไปถึงตรงนั้นก็ดูอึเข้า ศักดิ์ดีใจขึ้นมาเป็นสมควรแล้วเข้าได้ถ้าจะดีแน่เลยเว้ยก็จะๆกับ ไม่มีคําว่าเห็นแก่องค์นั้นองค์นี้ไม่คือต้องพิจารณาตามสมควรว่าด่านไหนก็สบายอะไรเนี่ยก่อกวนก็สบายแล้วสบายฝึกจนกระทั่งแน่ใจตัวเองว่า พอเข้าไปนเลยไปถึงบ้านหนองถือปุ๊บคนในหมู่บ้านเด็ดหัวเท่ากำปั้นก็มีไหว้อย่างนั้นกันละกันเถอะมันแตกต่างจาก เอสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นได้ยินเห็นซะแล้วชักทําให้ใจๆทุ่งนานึงเข้าไปมีต้นมะม่วงนะเป็นสัญลักษณ์ เย็นฟาร์มสะอาดสะอ้านทรายขาวงามใบไม้สักใบนึงจะหล่นลงๆโอ้โหใจนี่มันเป็นกองเลยปลอดสบายมากพอเดินเข้าไปใกล้ศาลาแล้ว <In> ถึงแม้อายุของท่านสมัยนั้น 70 ปีอะไรเหล่านี้นะก็มองดูกิริยาอาการของท่านสมบูรณ์ดีพอเข้าไปถึงพระท่านเดินขึ้นไป พอเสร็จแล้วไปกราบท่านท่านอืมจุดประสงค์มาธุระอะไรท่านๆพอเราตอบว่าตั้งใจอืมนะเอาเถอะเฮ้ยนี่มีที่ พอลงไปเสร็จแทนที่เราจะขึ้นไปบนกระทิกลับพะไปส่งไปส่งไว้ในในดิน <ม. S 1> พอปรากฏกลางมงกลางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอจังหวัดออกมาถามถามว่าเราจะเอายังไงบ้างท่านเออเพราะฉะนั้น ยิ่งอยู่หลายวันมากวันเข้ามาอันคืออาตมาเป็นสามเณรนะตอนนี่หนาวจัดจริงๆทีนี้พอถึงตอนค่ํานี่นะเออไปถวายพระแล้วพระท่านฉันแล้วเราอยู่ใต้ถุนไม่มีสิทธิ์ขึ้นข้าง แล้วนั่งสังฆะมะต้องอยู่ใต้ถึงกุฏิต้องเอียงหูฟังถ้าท่านพูดเบาก็ต้องยืนขึ้นพอดีใส่ไฟเต็มที่จบจบลง น้ำขนาดนี้เหมือนว่าเล่นน้ำมือไม่กรรมไม่เท่าหูนี่หยิกไม่เจ็บ มันเป็นไงถูกไล่แน่นอนว่าไล่ยังไงวะผมไม่สามารถจะฟังธรรมะผมจึงมาฟังธรรมะไม่กี่ครั้งนี่ไล่หนีผมก็เยอะแล้วสิผมเสียสละมาไกลขนาดนี้ หาที่ไหนพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีพึ่งจะมาไปรู้จักใครเราจะไปขอใครเราตายซื้อโอ๊ยตายเลยหลวงปู่เดินด่ําๆลงมาคุยกันก็ไม่ใช่ใกล้มันไม่ใช่ใกล้ตายแล้วเว้ยเรา พอท่านท่านเอ่ยบอกว่าอื้อดีแล้วไม่เป็นไรหรอกธรรมะเนี่ยหาฟังยากนะได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องพยายามฟังฟังให้เข้าใจแล้วเราจะโอ้โหพอนั่งยก มีอกดีใจไปยกมือเราไม่ไปแน่หรอกเว้ยดี เพราะว่าง่ายๆนั้นของบ้านผมมีใหม่ๆเอามายังไม่ได้ต้มมีอยู่ลูกใบนึงเออนะเข้าขั้นอัน นี่ต่อมาก็เออก็แยกออกไปประจําบรรสาแต่ก่อนประจําบรรสาไม่ได้ประจํา คงจะทําประโยชน์ได้ดีมากสงฆ์บรรยายท่านไปทําเรื่องกันน่ะเออเดี๋ยวก็เป็นถึงอ่าท่านเล่าอืมซึ่งใจท่านหลอกท่านดึกขยันอยู่ว่ะคิดว่าอย่างเออ แล้วก็เสร็จแต่บักก็ไปบำเพ็ญเวียนไป 5 ปี 6 ปีแล้วเข้าไปเข้าไปจะเป็นนวดขาท่านอยู่นวดไปนวดมานวดมาเออซึ่งเป็นผู้และต้อง แล้วก็ประกราบลาพระเดชปกุจจ์ท่านอยู่คุณธัมมเกียรติดีให้ท่านอนุญาตก่อนจึงจะออกไปเดินทางต่อกันตัดทีนี้นวดถาม คิดว่ายังไงคิดในใจนะหลวงปู่ท่านนอนอยู่ท่านพูดลอย 3 ลูกไม่ใช่เล่นนะถ้ากําลังไม่ดีจะเป็นลมไปซะเค้ามันก็แดดนั่นแหละ นี่มันจริงขึ้นมาแล้วรู้นี่ถามตัวเองว่าอย่างงั้นตะเรอะเอ้านวดขาต่อ วะอะไรกันวะเอ้าเอากินเหรอนี่นี่ถ้าเอากินก็ดีนะพยายามนะว่าก็เลยเกิดทําให้ เราอ่านก็ไม่ได้ติดใจเลยมากก็นึกว่าคงเป็นนิยายซะมากกว่าอะไรเหล่านี้แต่นี้เมื่อมาประสบอันนี้น่ะอะไรนะอะไรนั้นมัน เสร็จแล้วก็ตื่นเช้ากันมันก็มากราบลาท่านก็สอนต่อเสริมขออนุญาตออกเดินทางไป ออกพรรษาแล้วไม่มีกระทุ้มเต็มเลยเออไปอยู่จนกระทั่งเดือน 8 ค่ายป่ามันขึ้นแรงกลับ 15 15 ชั่วโมงกว่าเอ้ยตายล็อกมันมันไม่รู้ มันกวนกระวายที่สุดมันไม่เข้าใจไปไว้ตรงไหนถึงทั้งที่เรา สะดุดดึกจนในนี้รู้สึกว่าไอ้ความทุกข์เวทนามันดุดทั่วอันนี้พอมันดุดพรุ่งนี้มันก็มันก็หมดตัวเสร็จทีไม่มีทุกข์เอ๊ะนี่เราหายได้ยังไงวะลุกขึ้นมานั่งกันดีมาคิดว่าเออเนาะสักทีเดียวมันหล่นไปหมดได้เลยวะนี่หายได้ยังไงก็เรานี่อะไร ก็ลุกไปลุกไปไปเยี่ยมเนมเนมไปบําเพ็ญไม่ด้วยกันป่วยเนมนั้นก็นอน บอกว่าจะแตะในชั้นนี้มันก็ตกใจขึ้นมาล่ะเกิดความต้องกดนิดนึงถ้ากดนิดนึงถ้าเนี่ยมตกใจจะทําไงอย่าดีกว่า พอยืนขึ้นมาเสร็จโอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่ากลับดีกว่าเสร็จประมาณเดิมแล้วเดี๋ยวทุ่งนี้เราไม่ไปเป็นบาดหรอก อาจารย์ในสมัยนั้นก็อยู่ประมาณเกือบทุ่มนึงประมาณเกือบทุ่มนึงท่านไหว้พระใช่มั้ยเออตอน อาตมากับสัญฐานอีกอันหนึ่งมันไม่ดีคือมีหมาอยู่ตัวนึงนอนอยู่แล้วหมาตัวนี้ โลกกถธรรมมันครอบหัวเราอยู่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจเหมือนไก่ที่ถูกสุมครอบมันก็เวียนอยู่เพราะ ไอ้สันดานเสียของคนพอเดินเข้าไปหาหมาตัวนี้หมาจะวิ่งหนีเลยอันนี้ลองสันนิษฐานอีกกรรมหนึ่งนะแปลกอันนี้แปลกอาตมายังคิดอยู่ทุกวันนี้พอเดินเข้าไปหาหมาตัวเนี้ยมันวิ่งเข้าไปถึงกูดิอาตมาตามเข้าไปอีกตามก็วิ่งหลอดออกไปทางนู้นหางตุ๊กๆจะก็ไม่หางคิดว่าเอ้อ เธอให้เราได้เข้าใจธรรมะปฏิบัติดีเราคบสนทนากับเธอ ถ้ามีกลิ่นเหม็นเธอสั่งว่าให้ไฟไม่ต้องเผาดูสิเธอไม่ต้องการอยาก ก็มันดูตัวเองมาจับดูมาดูทุกอย่างก็คือเราก็คือคนนั่นเองมันก็เรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยสาเหตุวุ่นวายอยู่พักใหญ่เพราะไม่รู้ตัวเองตายนึกว่าสักึกคนเข้ามา 2 คนแต่เข้าใจว่าคน 2 คนชุดสีขาวเข้า ลองให้เราเข้าใจอันนี้ซิว่าไอ้ที่นอนๆเข้าไปเลย แล้วก็มองขึ้นไปเนี่ยเหลืองเหมือนไนออนเค้าถึงบอกว่าขึ้นไปบนสวรรค์ท้อง เสด็จเหล่าลกไปเอากันอยู่ที่นี่อ้าวเนี่ยบ้านฉันใครสร้างทําไมฉันไม่รู้พูดฉันนี้ระลึกได้รู้ใครแล้วมั้งนี่วะแล้วตายจะไม่บอกก็ใช่โอโธ่ถ้าตายวันนี้ฉันกลัวทําไมวะ พอมองถึงความเป็นอยู่ของเราแย่ถ้าเรารู้อย่างนี้นะเราต้องทําความ yeah. จะสร้างความดีอย่างจุจิเสร็จแล้วพอมาถึงบ้านตัวเองอาตมาหันหน้า ถ้ามันเป็นจริงแน่มันสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้เทพเจ้าเหล่านี้ให้เชื่อข้าพเจ้าเอเนเกิดเกิดในลัทธินอก ซ่าต้องมามาขนลูกซ่ากันเลยแค่เดียวดีใจเสร็จโอ้โหเค้าสอนเราดีเหลือ 10 ละ 10 โกรธเอ่อ 100 ล้านนี่จะ 2 ประเภทประเภทนึงจะ มีหน้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นกับโลกอื่นเท่านั้นแต่มีโลกอยู่ในโลกมนุษย์มองถึงโลกพระจันทร์มีแสง โอกาสมาเจอพระพุทธเจ้าหรือมาเจอศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นยากที่สุดงมเช่นนี้มหาสมุติมีความหมาย ตรงกลางด้วยขาวพลไม่เหมือนเรามองโลกประจำพุ่งเข้าไปกระทิงก็เข้าไปประตูตัวเองก็ดีพอเค้าล้างพอดูสึกก็ยังแข็งดีเก็บกระทั้งขี้หลังมืออยู่พับดันถอย มันสร้างอัฒจันทร์หลังเล็กๆหลังนึงเท่านั้นก็ออกไปหาแดดพอ จึงได้เสียใจมากเพราะว่าคนเค้าหลอกว่าตายแล้วสูญทําให้เราเนี่ยทําอะไรไม่เต็มที่ทุกอย่างอาตมาจําได้อาตมาสร้างโบสถ์แต่ เนี่ยมีโอกาสที่ๆแล้วก็มุ่งที่จะต้องไปจุดที่เราแน่ใจก็ไปทําที่ 5 วันค่ะ เขายังมีช่วงนั้นเค้าจะวางใจได้อาตมาไม่มีเลย 45,000 ก็มาก 120 ถุงและมีเห็ดที่ ถ้าเอาตัวมาไปใครจะเอาไปล่ะถ้าเสียกองบุญบาปด้วยหน้าทอดสีเลยก็เลยบอกว่านี่ฉันเด็ดจะสั่งขนาดวางศีลละเลิกไปในนบดหลังนี้นะเออนะทํา ทำได้ทำไงจะมั้ยไม่ใช่มันเสร็จก็ได้มนุษย์เราเนี่ยมันมีมายาเนี่ยวะเอ้อมันมีมายาเหมือนเทพเจ้านี่เราจะทําไปสักมุมนึงความเสียใจกับบาปนะหน้าทอด เขาก็ไม่ได้เอือได้อออะไรกันแล้วเค้าก็เสียใจเค้าว่าบากไปเลยอันนี้หมดซะแล้ว เสิบเต็มที่มาไปมีความสุขจนหดตัวพรั่วเข้า พวกเราก็ขอ